พระธรรมเทศนาแผ่นที่107่ดำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9พฤษภาคม2560มี25 60, ในชื่อเรื่องว่าสิทธิ์แวกแนวครูลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่9้า พฤษภาคมพุทธศักราช2560พระในวัดของเรา37รูปสัมมเณยหนึ่งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้เป็นวันโกนว่าเป็นวันปงผมวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขะหลวงพ่อเองอยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านในละแวกที่อยู่ใกล้ๆวัดของหลวงพ่อเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่มีกิจกรรมอะไรเลยก็รู้สึกว่าจะห่างเหินกันก็ควรจะฝันสําคัญอย่างนี้นะฝันมาฆะวิฉะขาวิสาขาเข้าพรรษาออกพรรษาน่าจะมาตักทําบุญตักบาตรเห็นหน้าเห็นตากันนานๆสักครั้งหนึ่งขอให้ครูบาทั้งหลายบอกศรัทธา ญ, ญาติโยมนะบอกตามสาย ถ้าพูมาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมานะมาใจบาทที่ซาลาใหญ่เหมือนกับพวกเราเคยทำนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการรับบาทจาำทางในครัวก็เตรียมพวกเอาหงอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยปีหนึ่งมีครั้งเดียววันวิสาขาบูชา พวกเราควรจะควรจะตื่นตัวตื่นใจควรแสดงออกซึ่งความเคารพสักระในจิตในใจของพวกเราก็จะเป็นิริเป็นมงคลนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นวันพุ่งนี้นะบอกประกาศชาวบ้านของเราก็ไม่มีอะไรเนาะบอกประกาศตามสายผู้ที่มาได้ก็มา เราไม่ได้กดเกณฑ์ไม่ได้กะเกณฑ์บังคับให้มาไม่ใช่ผู้ที่มาไม่ได้มีภารธุระก็กราบไหว้ยอยู่ในบ้านก็ได้หรือฝากคนอื่นมาก็ได้ก็ได้ทั้งนั้นแหละอยากจะทำบุญนะแต่พวกเราฝ่ายพระสงฆ์กนี่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าคงจะบินธบาทฉันพอตอนเที่ยงก็คงจะเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วย ลงโบสดตอนเที่ยงตอนเย็นก็จะมีการทาพระทักษิณเวียนเทียนเหมือนกับพวกเราเคยทาทุกปีนะ่ยศาลานอกศาลาใหญ่เราจะไปทากิจกรรมที่นั่นเพราะที่นั่นกว้างขวางไปเวียนเทียนพระทักษิณพระ พ, พุทธปฏิมาศาลาหลังใหญ่ศาลาหลังนอกนะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวบอกกล่าว ให้คณะจทธายญาติจงมลูกหลานได้รับพระพูรับท ร, บรบาบตลอดถึงพระเนในวัดของเรานะกระวันพุ่งนี้เป็นวันสำคัญก็จะให้ขาดตุกปกพ้องเรื่องนัดวัวสดเที่ยงบอกกล่าวกันสราขาว่าวันที่หกหลวงพ่อออกจากวัดประมาณชักเที่ยงพ่อออกไปก็มองบอกมาทางวัดเหมือนกันนะเห็นเออ ฝนฟ้าทางวัดของเราเนีมืดคืมคโอ้เหมือนกับฝนจะตกที่วัดของเราอ่ะพอกลับมาเมื่อวนันก็เลยมาถามพระพระโอ้ฝนตกแรงหลวงพ่อโอ้ดีวะ่ะนัหลวงพ่อออกจากวัดตั้งแต่วันที่หนะลูกหลานไปขึ้นเครื่องตอนบ่ายสามสี่โมงบ่ายสามสี่โมงเย็นแต่หลวงพ่อไปประมาณชักประมาณชักเที่ยงออกจากวัดไปก็ ไปทําธุระหน่อยหนึ่งแล้วก็เลยไปที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องไปอบอกไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ไปดูไปเห็นหน้าเห็นตาเห็นลูกหลานทํางานกําลังตอกเสาเข็มที่วัดป่าบ้านตาดก็กวนจวนจะจบละยังเหลือไม่กี่ต้นอาจจะเป็นวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราก็คงจะเสร็จละเสาเข็มพันสต้น ต่อไปก็คงจะประกาศหาผู้รับเหมาผู้รับเหมาคนนี้นะวันที่18วันที่18บแปจะยื่นซองแล้วก็คงจะเปิดซองแล้วก็ได้ผู้รับเหมาแล้วคุยกันจะเอาใครมาเป็นผู้รับท่านผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีที่จะมาสร้างบา ร, รมีกระองค์หลวงตาพวกเราก็คอยฟังลุ้นอยู่ถ้าผู้ใดทําแล้วก็แปลว่าเป็นผู้มีบุญ ถ้าไม่มีบุญคงไม่ได้ทําหลวงพ่อว่างันนะพอหลวงตาเป็นภูมีบุญหนักสักใหญ่ไม่สักใหญ่ยังไงท่านจะไม่มาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตการท่านเป็นพระอรหันต์แล้วอุดง่ายๆเพราะนั้นผู้ใดได้มาทําสร้างพระเจดีย์ของหลวงตานเป็นผู้มีบุญตั้งตระกูลเลยละ่ะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ภาคภูมิใจเมื่อนั้นน่แต่หลวงพ่อก็ได้ไปดู การตอกเสาเข็มก็ุดตอกเพเื่อไปหมดเลยตั้งแต่พมพ่อเกิดมาเนี่ยอายุถึงเจ็ดิบกว่าปีไม่เคยเห็นที่ไหนได้ที่ตอกเสาเข็มมากถึงขนาดนี้นะอันี้หลวงพ่อเห็นแล้วโอโ้โมากทีเดียวจากนั้นหลวงพ่อก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินอุดรเป็นลงที่สุวรรณภูมิคราวนี้แต่ก่อนไปลงที่ดอนเมืองคราวนี้ไปลงสุวรรณภูมิ จากนั้นเขาก็เอารถรับที่สุวรรณภูมิมาพักที่วัดพิชัยพัฒนมงคลวัดพิชัยพัฒนะพัฒนารามหนระือพัฒนมงคลหลวงพ่อก็จำไม่แม่นตัวนี้จะอาจจะเป็นพัฒนมงคลพอไม่ใช่วัดของนั่นนะหลวงพ่อก็มาพักที่นั่นจากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพ โอ้หลังไหลเข้ามาเพราะจะมีการมอบถวายสร้างวัดมาได้3ปีนะวันที่10เนี่ยวันที่10พฤษภาเนี่ยครบครบสปีพอดีว่าไหมที่ท่านรายงานมาแต่ท่านก็โอ้สร้างเด็กเยอะไปหมดกุฏิก็หลายหลังศาลากันหลังแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบหมดไป30กว่าล้านที่ท่านรายงานตามตัวเลขมานะ แต่ก็ยังเป็นหนี้สินเกี่ยวกับสาลาสาลานี่ยังสร้างเสร็จแล้วแต่เงินยังไม่จบคราวนี้ก็เป็นการทอดผ้าปลาเพื่อหาทุนส า, าลาหลังนี้แหละครับหลวงพ่อเอดังนั้นหลวงพ่อก็ไปถึงแล้วก็เขานี่ยมลนเป็นองค์แสดงธรรมเป็นองค์เทศนะหลวงพ่อก็เทศยาวอยู่นะเมื่อคืนนั้นพอเห็นพี่น้องประชาชน ล้นหลามและตั้งใจฟังอีกตังหาหลวงพ่อเทศเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลก็ไม่ไม่เดบกล่าวมากแต่เรื่องภาวนาเนะี่ยสมถะและวิปัชนานะที่หวัวใจของพระพุทธศาสนาแต่พอพุ่งในเช้าของพี่น้องประชาชนมาใจบาดก็ล้นหลามอีกก็เลยทอดผ้าป่ากัน แต่พาปลาเขารู้สึกว่าโหโอบอุ่นนะอูฟูนะลูกหลานได้เงินเจล้านกว่าแต่ก็ยังขาดอยู่เพราะว่าซาลาลังนี้ที่เป็นยังเป็นหนี้สินอยู่ประมาณเก้าล้านทั้งหมดทั้งเก้าล้านได้เจดล้านก็ยังเหลือหน่อยนึงแต่พอหลวงพ่อลงมาจากซาลามีโยมเทวดาใจบุญโยมผู้หญิงท่านอาจารย์ เจ้าค้าจำนวนที่เหลือเท่าไหร่ของศาลาหลังนี้ดิฉันจะปิดท้ายรายการให้ให้เต็มทั้งหมดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเอออนุโมทนาเนะให้ได้บุญหลายๆเนอศรัทธา ญ, ญาติโยมเนอะรหลวงพ่อก็ให้สินให้พรจากนั้นหลวงพ่อก็มาที่นั่งรถมาสวนแสงธรรมเลยมาก็มีการรอ พระโมเลพระพุทธปฏิมาที่บ้านของหลวงปู่มั่นนะแล้วก็ลูกเหมือนหลวงปู่มั่น น, ะนั่นะโอ้โหทู้สิกวคนลถหลามมากมีหลวงปู่บุญมาเป็นประธานหลวงปู่ทองอินที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีแล้วะหลวงปู่ภูวัวที่ทําพระภูวัวจานสะเถียนหลวงปู่สะเทียน แล้วก็เป็นหลวงพ่อเป็นองค์ที่สี่หลวงพ่อจะทาองค์ที่ห้านะก็พระเยอะทาพิธีเททองแต่หลวงพ่อเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็พูดเท ท, ทองยังยังไม่ได้เททองหรอกพอสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อก็มีภาระพอหลวงพ่อลงไปคราวนี้คือความตั้งใจมุ่งหมาย ก็คือจะไปแสดงออกความถวายความอาไราอาไลถวายความอ า, าไัยแด่องค์สมเด็จพระประมนทระมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์หลวงพอมีความทังใจพอหลวงพ่อได้ถามว่าสมมติว่า อย่างพระป่าพระดงของเราเนี่ยะจะเข้าไปถวายความอาลัยเนี่ยจะไปได้ยังไงไปได้ไหมถูกต้องไหมตามกฎประเพณีของพระสงฆ์หลวงพ่อก็เลยเพราะหลวงพว่อเป็นพระป่าใช่ไหมจะไปคิดนึกเดาเตามใจตัวเองก็ไม่ได้มันจะผิดกฎกติกากฎระเบียบความเป็นไปได้ไหมหลวงพ่อก็เลยถามทาง พระพระครูบาอาจารย์ทางวัดบวบวรท่านบอกว่ได้ครับหลวงพอ่อหลวงพ่อเข้ามาเลยหลวงพ่อก็เลยประสานไปนั่นแหะหลวงพ่อจะได้ไปเมื่อวันที่เจ็ดนั้นลูกหลานออกจากวัดสวนแชงธรรมไปติบ่ายสามโมงไปไปเนั้นก็บ่ายสี่โมงกว่าพอห้าโมงพอไปถึงแล้วก็ไปพักที่ที่พักของพระสงฆ์ใน ในที่ในในบริเวณนั่นแหะในที่เวียงวังนั่นแหะเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่ให้พระสงฆ์พักทั่วข้าวเมื่อจะเข้าไปทําพิธีกรรมต้องไปพักที่นั่นก่อนแล้วก็ให้ไปพักที่นั่นไม่นานท่านก็พาคณะสงฆ์กลุ่มของหลวงพ่อนี่ยสิบพระนะมีหลวงพ่อหลวงพ่อชนิดหลวงพ่อสามหลวงพ่อเฉลิมผมหลวงพ่อบาลุง รันตนะมีหลายสิบองค์ท่านก็นําเข้าไปเข้าไปก็ไม่มีใครนะพี่น้องประชาชนเขาให้ออกทั้งหมดพอพวกกลุ่มพวกเราจะขึ้นไปนี่ยก็ออกกลุ่มพี่น้องประชาชนเขออกหมด พ, พ่อขึ้นไปขึ้นไปเขาขึ้นไปต่อหน้านนะที่โบลล ม, มะโกดที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรที่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะพอขึ้นไปก็ยืนเรียงสีแถวแถวแถวหน้าสีแถวหลังสี่แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ยืนท่านให้คองผ้าคลุมไหลนะพอมันเป็นมันไม่ใช่วัดนะท่านก็ให้ผ้า ค, คองผ้าคลุมไหล่ ทั้งสองข้างจากนั้นเก็เอามือเอามือประสานกันเหมือนกับเราเดินจง ก, กลมนะมือประสานยันลก่อนนะให้สํำรวมกลมหน้าสํำรวมลํำลึกถึงแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทจงเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะท่านมีคุณอุปการมีพระคุณต่อประเทศชาติมีพระคุณต่อพระพุทธศาสนา พระ อ, องค์ทำความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเมืองไทยของเราแน่นหนามั่นคงเป็นผึกแผ่นพระ อ, องค์ก็ทรงผนวดอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถึงพี่น้องประชาชนทุกคนควรจะแสดงความเคารพในพระ อ, องค์ท่านถึงพระ อ, องค์ท่านจะสวรรค์ครายไปแล้วก็ คุณของพระ อ, องค์ยังเต็มเปี่ยมที่หัวใจของแต่ละคนแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเต็มเปี่ยมในหัวใจของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อจึงอยู่ไกลก็ได้ไปแสดงความอาลัยแสดงอะไรทางนอกได้ไหมก็ได้แต่นีิแสดงออกที่อยู่พอบร ม, มสพของพระ อ, องค์ดูๆแล้วมันมันมันดูๆแล้วมันภาคภูมิใจวัในใดแสดงออก ต่อจารีละของพระ อ, องค์ท่านเนะี่ยแหละหลวงพ่อก็เข้าไปยืนหนานพอสมควรก็เห็นว่าสมควรเออเอาพอสมควรแล้วนะหลวงพ่อบอกแล้วก็เราก็หันเดินออกมาทางกรมการศาสนาทางกรมวังทางาก็เดินตามออกมาเห็นพี่น้องประชาชนเข้าไปคอยฟังที่จะสวดพระอภิธรรมโอ้หลายกลุ่ม เป็นหลายร้อยหลา ย, ลายพันคนใช่ชุดสีดำเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นนั่งเป็นหมู่เป็นหมู่หลวงพ่อก็เดินผ่านออกมาจากนั้นก็ทางกรมการศาสนารองกรมาวาังก็จะเดินพาไปกลับพระแก้วอยู่ในละแวะกเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกันเราไปเดินพอไม่มีคนแล้ว ต, ต, ตอนตอนเย็นนั้นเขาปิดนั่นล่ะมีแต่ เป็นเรื่องของหลวงและพี่น้องประชาชนเขามาให้เข้ามาแล้วในช่วงนั้นหลวงพ่อก็เดินได้สะดวกสบายกับพระสงฆ์สิบรูปนี่แหละพอกลับมาถึงออกจากนั้นก็กลับมาสวนแสงธรรมก็ประมาณากเกือบหกโมงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อกอ็ที่แรกก็คิดว่าจะกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแหละพอเข้าไปกลับหรืเข้าไปแสดงความอะไรถวายความอะไรใน อในพมบรง ม, มาศพแล้วจะจะกลับมาขึ้นเครื่องหลุงพ่อก็ไม่มั่นใจถ้าเผื่อไปแบบพี่น้องประชาชนไปแล้วหลายชั่วโมงบางคนว่าสิบชั่วโมงว่างแปดชั่วโมงว่างห้าหกชั่วโมงบ้างลุงพ่อก็ไม่รู้จะไปนั่งคอยกี่ชั่วโมงหลุงพ่อก็ไม่มั่นใจแต่ทุกคนก็เลยไม่ได้ตีตัวกวดกวดตีตัวฟรีเหมือนกันก็เลยไปไปแต่ไม่นาน พอเข้าไปอแบบไม่ได้คอยนานเลยเข้าไปตามขั้นตอนออกมาออกมาก็เลยมาพักอยู่ที่สวนแสงธรรมเมื่อวานอแต่หลวงพ่อผมปิณฑบาตเมื่อเช้าวานเนี่ยเขรู้สึกโอ้โพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาใส่บาตรเยอะเหมือนกันนะมากทีเดียวแต่หลวงพ่อก็มาพูดนะศรัทธาญาติโยมนะพูดเรื่อง พูดถึงเมื่อวานพูดเมื่อถึงพูดเมื่อพูดเช้าวันที่8ดเนี่ยแต่หลวงพ่อพูดถึงตอนบ่ายวันที่เจที่มีพิธีกรรมเททองเทพระโมเรวของพระพุทธปฏิมารูปเหมือนหลวงปู่มั่นพี่น้องประชาชนมาล้นหลามเขาก็เอาพิธีพระพิธีพามเข้ามานะพิธีพรามเข้ามาแล้วก็มาสวดโอม พระศีวะโอมพระนาลายโอมแล้วก็พอจบเราก็เตี้ยงๆน้องๆตอๆนี่ๆเตี้ยงๆน้องๆองตามดนตรี้องเขานะฮองพราหมณ์ใช่ทีนี้หลวงปูป่บุญมาท่านมาท่านบอกถ้าหลวงตามหาบัวยังอยู่นะพวกเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ฮะ หลวงพ่อก็นั่งอยู่ที่นั่นเหมือนกันเออใช่ถ้าหลวงตายังอยู่คงไม่ทำว่ อ, อคงทำคงจะแตกกจ็จี้กระเจิงนะ่ะเออพราะมันมีเส้นหัวหมูหัวอะไรก็ไม่ทราบอยู่ในนั้นมันเป็นพรามใช่ไหมละ่ะออมีอะไรตัวม่อะไรตามเทม็มออบวงสวงพรามเต็มสูตรนะมัหลวงพ่อก็เลยมาพูดเมื่อวานเออพี่น้อง ลูกหลานคณะสัตยาติโยมสวนแสงธรรมในเป็นสถานที่ขององค์หลวงตาใครจะทําอะไรออกเข้ามาในสวนแสงธรรมเลยต้องคิดซะก่อนนะไม่ใช่ฝึกคิดได้คิดทําแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อสุดใจท่านก็เป็นพระท่านก็อยู่ในวัดป่าบ้านตาท่านอนุมัติภายใครไปขอท่านก็อนุมัติพออนุมัติแล้วพูดที่มาทำเลยต้องคิดซะก่อนว่ามันแนวเป็นแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาหรือไม่ ถ้าหากว่าเป็นอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อคงจะไม่ให้ทำแล้วแต่ในหลวงพ่อสุดใจจะทํำยังไงท่านสุขภาพท่านก็ไม่ดีท่านก็ไม่เคยไปสวนแสงธรรมอีกต่างหากแต่พวกเราเนี่ยไปเห็นแล้วเออไ ม, ไม่ไม่น่าจะถูกต้องถ้าทําอย่างนี้อแต่จริงเรื่องไปเททองเอลอึกไปเททองเทพระพุทธปฏิมาพ ร, พระเปลวเพลิงหรือว่าลูกเหมือนคู่บายจายน อันนั้นเราไม่ได้ว่าถูกต้องเป็นไปได้แต่ว่าเมื่อสวดแล้วไม่ควรจะเอาศาสานาคิดอิสลามพลัมชิกเข้าม า, าในจุดนั้นมนควรจะเป็นพุทธพอเป็นวัดพุทธนะมันควรจะสวด อ, อิติปิโสพระว า, าระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนะน่าจะสวดอย่างนั้น่ะ กนั่ก็ อ, อเซวานาจะปาลานังบันฑิตานาจะเสวานาเรียกว่าธรรมจักกะปวัตนสูตรพระพุทธเจ้าตัดรูที่ไหนทำที่ไหนสวดหลายๆจบก็ได้นี่การสวดเททองหลวงพ่อวัดคิดว่าจะเป็นพุทธศาสาจะนิยกระชนไม่ใช่ว่าจะเอาพุทธเอาพามเข้ามาทําอ้ลิงติงน้องอีรองตองนิ่งเนี่ยดูๆแล้วมัน มันขัดกันนะแหมหลวงพ่อว่าต่อไปภายภาคหน้านะพระเนนลูกหลานน้องหนุ่งทางร้ายแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นสวนเจ้งธรรมก็ไม่ใช่ว่าของหลวงพ่อองเดียวหลวงพ่อก็ได้นามสิทธิ์ขององค์หลวงตาแต่ก็ได้นามสิทธิ์หลวงตาหลวงตาพาดําเนินไหมอย่างลวงปู่บุญมาทัพโพธิลนกปลาหลวงปู่บุญมาถ้าหลวงตายังอยู่หลวงตาจะพาทําอย่างนี้ไหมแหม่ไม่มาไม่พาทำแน่ นี่แหะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พระน้องนุ่งทางหลายศรัทธายาโฉมทางหลายทิศนั่งฟังหลวงพ่อพูดนี่แหละนําไปทบทวนพิจารณาดูสิถ้าเราทําไปต่อไปก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของลูกของหลานเลี้ยวเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนั้นใช่ไหยถ้าว่าเราคิดเปรียบเทียบกับองค์หลวงตาแล้วก็องตาคงไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยกับขันว่ะคงไม่ดีถ้าแชมป์ท่านไม่เห็นด้วย แต่เราเห็นด้วยเราก็ควรจะไปทำที่อื่นไม่ควรจะมาทำที่นี่ผมเป็นวัดของท่านมันเป็นการเยียบย่ำแนวปฏิบัติทาขององค์หลวงตาพวกเราต้องคิดนะอันนี้คือหลวงพ่อให้แนวความคิดทั้งญาติทั้งโยมด้วยห้าหกปีเท่าเองหลวงตาจากไปพวกเราคงจะไม่ลืมมั้งหรือลืมหมดแล้วเป็นอัลไซเมอร์หมดแล้วเหรอหลวงตาเคยทำไห้อย่างนี้ ถ้าเราจําไม่ลืมก็คิดว่าโอ้หลวงตาไม่คงไม่เคยพาธรรมสิ่งไหนที่ไม่หลวงตาไม่พาทําก็สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นแต่พวกเราก็ไม่ควรจะนํามาทําที่วัดของหลวงตาไม่ใช่เหรอเนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้บอกกล่าววันเมื่อวันเมื่อวันที่วันที่แปดเมื่อวานเมื่อเช้าวานเนี่แต่พูดไปแล้วก็ คนเห็นด้วยไหมคนไม่เห็นด้วยมันต้องมีแลและศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดเป็นธรรมนะพูดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาถ้าเราอยากจะทําก็ไปทําที่อื่นก็ได้เมืองไทยมันไม่ใช่แคบมันใบมะขามวัดไหนก็ได้มีถึงเยอะแยะเราอยากจะมาทําในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงตาจะอาศัยบา ร, รมีของหลวงตาก็ต้องทําแนวปฏิปทาของหลวงตามันจึงจะถูกนะ ไม่ใช่ว่าเอาที่อื่นมามาเหยียบย่าแนวปฏิปทาของหลวงตากันมาเหยียบหัวท่านแนวความคิดแนวท่านไม่เคยพาทำมาทำในจุดนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็ ข, ขอฝากไว้กับพวกเราที่นั่งฟังอยู่หวงพอนะ่อเน่หลวงพ่อพูดผิดแล้วพูดถูกถ้าหลวงพ่อพูดผิดพอผลพอพูดจบแล้วลูกหลานอาจจะให้แสดงความคิดเห็นมาก็ไดหลวงพ่อก็ยินดีฟังเหมือนกันนะ หลวงพอ่อหลวงพ่อพูดคิดว่าพูดถูกนะแล้วก็ไม่ได้กระทบกระเทือนของผู้ใดอีกอพูดตามความเป็นจริงพูดตามให้เป็นธรรมแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาหนะลวงพอ่อในคิดนะที่จะทําอะไรลงไปถ้าสิ่งไหนก็ตามแต่มันเป็นการเสียหายต่อวงการพุทธศาสนาแต่มันถูกต้องตามเรื่องของเราที่จะต้องทำหลวงพ่อก็ต้องคิดเออถ้าทําไปแล้วลูกหลาน ลูกศิษย์ลูกหาของเราหนะ่อยอย่างวันนี้นะพระทั้งสาสิบเจ็ดองค์สัมมนเอ็นหนึ่งถ้าพวกนี้ไปเป็นสม่านหลงพ่ออินเราเคยพาทำได้เคยพาปฏิบัติมาอย่างนี้ไม่ผิดนะนะทั้งที่ตัวเองลงพ่ออินแวกแนวเลยพาแวกแนวแลยลูลกน้องเลยแวกแนวยิ่ยงกว่าครูไปอีกเนะีเพราะในสุดกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีพุทธศาสนาจะมีจะมีะมหลง หลงหลออยู่เหรอท่านนี่คนนั่นก็เหยียบคนนั้นก็ต่อไปเหยียบต่พัดตะผืออไปมากันเละตุ่มเปะไปหมดเลยนี่แหละหลวงพ่อคิดนะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อจะทําอะไรต้องมองมองดูแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาไหมอย่างนี้อขนาดพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ พระ อ, องค์ก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถหรือว่าความคิดของพระ อ, องค์แล้วก็ตัดสินพระไทยเลยไม่ใช่นะบางเรื่องน ะ, ะบางเรื่องเนี่ยพระ อ, องค์ย้อนไปในอดีตเอพอพระพุทธเจ้ากากุสันโทโกณนะคมโนกัจโผล่ที่เป็นรุ่นพี่ของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้าเน่ยในเรื่องนี้เนี่ยท่านเหล่านั้นปฏิบัติอย่างไรหนอนะพระ อ, องค์ก็ย้อนไปถึงดูในอดีต พอย้อนไปอดีตรู้แล้วว่าเออพระพุทธเจ้าอพระเจ้าพี่ของพระองค์ที่ได้ตัดสู้มาก่อนนั่นน่ะท่านทําอย่างนี้นพระพระองค์ก็จะได้บัญญัติตามตามที่พระพุทธเจ้ารุ่นพี่พาดําเนินมาเนี่แหละอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกก็มีไม่ไม่ใช่ว่าพระองค์ดด ค, คิดได้คิดทําคิดได้คิดทําไม่ใช่นะบางเรื่องบางราวต้องย้อนไปถึงอดีตเพราะพระองค์มีญานนท์นีมีญานทันศนะใช่ไหม อดีตย้อนไปในอดีตพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านทําอย่างไรในเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์พระพุทธเจ้าของเราก็ได้มองนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่ออินจะเอาแนวความคิดหลวงพ่ออินทีเดียวเหยียบย่ําอิหรีลานพันตูไปหมดตามความคิดของตัเองไม่ได้มันต้องคิดถึงแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเกิแนวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างไร สิ่งเหล่านี้มันต้องดูนะพระเนนลูกหลานศรัทธาญาติโยมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังน่พูดให้ฟังพนให้ทบทวนถูกต้องสิ่งที่ควรไม่ควรไม่ใช่ว่าเอาความคิดของตนเองไปแล้วก็ตัดสินใจเลยพุทธศาสนาไม่ใช่ของเรานะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์นะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ เ, เพราะนั้นเราต้องจะทาอะไรมนตรง คิดให้หลบขอบทบทวนคิดหน้าถอยหลังให้ถูกต้องซะก่อนยังค่อยเดินไปในจุดนั้นถ้าทำได้อยางงั้นหลวงพ่อวานเนี่ยนะต่างคนต่างร ะ, ว, งระวังใครจะทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเพราะพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วพุทธบริษัท ส, สี่นี่แหละจะทำให้ศาสนาของเราเสื่อมหรือศาสนาของเราเจริญไม่ไม่มีใครอื่นไกล พุทธบริษัทสีของเรานี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้นะเอาต่อนี่ใบพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนัตตนีนะ